สี่สิบสามรกทริมที่สวนสัตว์อูซาปาร์สวนสัตว์อยู่ที่นั่นดัมาพาร์กยีราฟอยู่ตรงนั้นดัมซีราฟ หมีอยู่ที่ไหนจิเมจวีจิช้างอยู่ที่ไหนเจสเลนิงูอยู่ที่ไหนจิสเม่สิงโตอยู่ที่ไหนจิลวิทดิฉันมีกล้องถ่ายรูป อี่ฟตรัดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยอมี่ตักซมยุสกคารัฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนเบตเรกนกเพนกวินอยู่ที่ไหนเจิวนจิงโจ้อยู่ที่ไหน ดิคิงฮูรูแรดอยู่ที่ไหนดีนัสอรอยห้องน้ำอยู่ที่ไหนจีทยตัวเลีตมีร้านกาแฟยอยู่ตรงนั้นตามคาดิาร์เนยมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นตัมริสต์รัน อูดอยู่ที่ไหนเจ верблюды ก о ริล่าและม้าลายอยู่ที่ไหนเจ้าฮาริเลียบริเสือและจระเข้อยู่ที่ไหนเจติกรย์อีคราคอดิล